บุ Book ๊กทูแปดสิบอมคำคุณ hmm ศัพท์สามเจ็ดสัปดาวีเมชสามีเธอมีสุนัขหนึ่งตัวมาส ชาร์ลีแคลส์มัสาร์ลีส์สุนักตัวใหญ่ชาร์ลีิดิอาชาร์ลีติดิอาเธอมีสุนักตัวใหญ่หนึ่งตัวมัสติดิชาร์ลีส์มัสดิดิชาร์ลีส์ เธอมีบ้านหนึ่งหลังมัสส sakli ส g u s m a บ้านหลังเล็กส a k l i p a ตา r a s, <S เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังมัส s patara i agus m ตสอเขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งอสโรชอสสตรชิตชรโรงแรมราคาถูกตุรอีพีอสตรอพี เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกอิสอวสยับซาสตุมโรชิทชอวรุปสเขามีรถหนึ่งค Mas ันม ah ัคสมันคานาข้าวสรถราคาแพง มังค <ana>, ่านาทวิรียมังค่านาทสวิรียเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันมัสทสวิริานิมังคานาาส์มัสทสวิริานิมันคานาเส์เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องอิสโรมันส์กิตฮูลุปส์อิส โรแมนส์กิตุลุบนิยายหน้าเบื่อโรมาเนัเคนียโรมาเโัเคนียเขาอ่านนิยายหน้าเบื่อหนึ่งเรื่องอิมซัเคนริอสโมเคนรแมนส์กิตฮุล เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง is films s is films s หนังน่าตื่นเต้น f i l m a i n t e r e s a f i l m a i n t e r e s a เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง is sainte r e s films s